ฝึกหายใจยกระดับสติในที่นี้จะมีรูปให้ดูนะครับสามารถดาวน์โหลดจากหนังสือไปดูได้สำหรับเสียงอ่านชุดนี้เฉพาะไฟล์ในยูทู e จะนำรูปในหนังสือมาให้ดูด้วยนะครับมองสบายๆที่จุดศูนย์กลางวงกลมคุณจะเห็นวงกลมทั้งดวงมองสบายๆที่แสงสว่างกลางภาพ คุณจะเห็นวงกลมสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมพร้อมกันแต่ถ้าเพง่งเล็งคับแคบที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปคุณจะไม่เห็นอะไรมากไปกวา่าจุดคับแคบจุดนั้นสำหรับท่านที่ดูภาพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น<ง> <Skywalker> <preschool> เพื่อจะรู้สึกถึงกายใจทั้งหมดโดยง่าย คุณแค่ฝึกรู้สึกถึงลมหายใจให้เป็นเพียงอย่างเดียวก็พอเพราะเมื่อมองลมหายใจเป็นภาพรวมของกายใจทั้งหมดจะปรากฏตามมาเองในวินาทีนี้ให้ถามตัวเองว่าลมหายใจสุดท้ายที่ผ่านมาสั้นหรือยาวหากตอบไม่ถูกก็แปลว่าสติของคุณไม่อยู่ที่ลมหายใจ และมีความโน้มเอียงว่าจะเป็นลมสัน้นต่อเมื่ออ่านหรือฟังถึงเนื้อความที่ถามกระตุ้นให้รู้สึกถึงลมหายใจในปัจจุบันคุณจึงค่อยกลับมารู้สึกถึงความมีอยู่ของลมหายใจและตัวลมก็อาจถูกลากยาวขึ้นจนเต็มปอดทันทีทั้งที่คุณยังไม่ได้ละสายตาจากหนันงสือไปไหนเลยขอให้สังเกตด้วยว่า คุณจะมีสติรู้ลมหายใจ ด, ดีก็ต่อเมื่อลมยาวเต็มปอดพอดีพอดีเท่านั้นส่วนลมสั้นจะไม่ค่อยรู้หรือไม่รู้เอาเลยเอาอีกทีระหว่างที่อา่านบรรทัดนี้หรือฟังถึงตรงนี้อยู่คุณหายใจเข้ายาวหรือว่าสั้นยาวคือรู้สึกถึงการลากยาวอาจจะเท่ากับหรือมากกว่าลมก่อนหน้า และมีความสดชื่นเต็มปอดมากกว่าสั้นคือรู้สึกว่าหดลงจนสังเกตยากหรือเห็นได้ชัดว่าลมก่อนหน้ายาวกว่ากับทั้งไม่ค่อยเต็มปอดไม่ค่อยสดชื่นตื่นเต็มนักความรับรู้เกี่ยวกับลมยาวและลมสั้นจะปรากฏเป็นมนโนภาพทางใจแบบหนึ่งที่ทำให้คุณทราบว่ามันต่างกันไม่เท่ากัน ลมสั้นคือมโนภาพสายลมสั้นๆลมยาวคือมโนภาพสายลมยาวๆขอให้สังเกตด้วยว่าในวาระแรกที่ถูกกระตุ้นให้ระลึกถึงลมหายใจคุณจะนึกออกได้สบายๆกับทั้งไม่รู้สึกอึดอัดกับการหายใจเข้าออกยืดยาวเพียงครั้งเดียวแต่หากพยายามตั้งใจทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเอาแต่ลมเข้ายาวๆท่าเดียว คุณจะเกิดความอึดอัดคัดแน่นเพราะนั่นไม่เป็นไปตามธรรมชาติความต้องการทางกายที่ขอแค่ลมเข้าออกแบบผ่อนสั้นผ่อนยาวสลับกันก็พอนี่เป็นการค้นพบด้วยตนเองประการหนึ่งว่าถ้าปรารถนาจะฝึกหายใจเพื่อยกระดับสติจงอย่าหายใจแบบฝืนธรรมชาติเพราะนอกจากจะไม่ช่วยยกระดับสติให้สูงขึ้น ยังจะเป็นการกดคุณภาพสติให้ตกต่ำลงอีกด้วยถามตัวเองอีกทีว่าระหว่างอ่านย่อหน้านี้หรือฟังถึงตรงนี้ลมหายใจยังยาวอยู่หรือไม่อย่าเสียใจถ้าสั้นลงอย่าดีใจถ้ายาวขึ้นเพราะการฝึกหายใจยกระดับสติที่แท้จะไม่มีการตัดสินภาวะที่เกิดขึ้นว่าดีหรือไม่ดี Hmm. ได้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าน่าชื่นชมหรือน่าชิงชังมีแต่การจับสังเกตความไม่เท่าเดิมล้วนเมื่อจิตของคุณเลิกตีค้าวว่าดีกว่าหรือแย่กว่าการรับรู้จะเริ่มถูกต้องตรงตามธรรมชาติการยอมรับธรรมชาติที่กำลังปรากฏตรงตามจริงนั่นแหละคือสติคือการระลึกได้ว่าปัจจุบันเป็นอะไรอยู่ ขณะของการรู้ลมหายใจโดยเฉพาะลมหายใจยาวๆจะเห็นว่าการรับรู้ตัวหนังสืออาจเว้นวักไปในช่วแวัเล็กๆโดยสายตาอาจไม่จำเป็นต้องละไปจากหน้ากระดาษแต่อย่างใดแต่พอรู้ลมเสร็จสายตาก็กลับมาจดจอกับข้อความต่อได้อีกและสามารถรู้เนื้อความในหนังสือสืบเนื่องกันดุดสายน้ำไม่ขาดสาย จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนี้จะเห็นว่าการระลึกรู้ลมหายใจเป็นพักๆไม่ได้รบกวนการงานที่ทำอยู่ตรงหน้าและมิใช่การพยายามทำงานสองอย่างพร้อมกันจนขาดสติแต่เป็นการอาศัยการหายใจเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้เกิดสติอยู่กับเนื้อกับตัวหรืออีกนัยยะหนึ่งป้องกันไม่ให้จิตเพ่งเคร่งเครียดไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเท่านั้น พอมาถึงย่อหน้านี้คุณควรเริ่มรู้สึกถึงความสงบและมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะรับรู้เกี่ยวกับความเป็นลมหายใจมากขึ้นนี่คือธรรมชาติการทำงานของจิตเมื่อมันสังเกตรู้สิ่งใดบ่อยๆก็จะเกิดอัตโนมัติเขารู้สิ่งนั้นเรื่อยๆไปเองโดยไม่ต้องใช้ความฝืนใจพยายามเมื่อมาถึงย่อหน้านี้ หากลมหายใจของคุณสั้นลงและคุณยังสามารถรู้ได้ถึงการปรากฏของลมหายใจแล้วว่าจิตของคุณเกิดความผูกพันกับลมหายใจกับทั้งเกิดภาวะผู้รู้ผู้เฝ้าดูปวงลมหายใจทั้งหลายกำลังแสดงความไม่เที่ยงแล้วเมื่อเห็นลมหายใจทั้งหลายไม่เที่ยงได้คุณจะเห็นสภาพจิตของตัวเองแปลกไปคือในขณะหายใจ จะเหมือนรับรู้ถึงการมีอยู่ของร่างกายในอิริยาบถนั่งหรือยืนได้ชัดขึ้นอย่างเป็นไปเองที่ย่อหน้านี้ขอให้สังเกตว่าถ้านั่งปัจจุบันเป็นคอตั้งหลังตรงหรือว่าหลังงอคอตกสภาพความตรงหรือความงอที่สังเกตได้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงท่านั่งทั้งหมดตรงตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องพยายามจินตนาการแต่อย่างใดนอกจากจะพาคุณมาเห็นอิริยาบถอันเป็นปัจจุบันได้แล้วลมหายใจยังพาคุณมารู้สึกถึงความเป็นสุขเป็นทุกข์ได้อีกด้วยที่ย่อหน้านี้ขอให้สังเกตว่าเมื่อรู้สึกถึงท่านั่งได้ตามจริงคุณจะเห็นรายละเอียดระหว่างการหายใจแต่ละครั้งว่าถ้าขณะหายใจเข้า มีการพองหน้าท้องออกนิดหนึ่งโดยไม่มีความเครียดเกร็งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสายลมหายใจจะยาวให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายยิ่งสังเกตต่อไปว่าความสบายนั้นมีอายุหายสั้นหรือยาวเพียงใดบางครั้งอาจสบายแค่ช่วงหายใจเข้าบางครั้งอาจสบายแค่ช่วงหายใจออกบางครั้งสบายได้ตลอดสาย นับเริ่มจากหายใจเข้ามาจนสุดที่ปอดแล้วระบายออกไปจนพ้นโพรงจมูกทั้งหมดเมื่อรับรู้ว่าสบายเป็นอย่างไรก็จะเห็นเป็นข้อเปรียบเทียบได้ถูกว่าบางลมหายใจก็นําความอึดอัดเข้ามาสู่ตัวได้เช่นกันอย่าเสียใจว่ายังหายใจไม่เป็นแต่ให้เห็นความจริงว่าความสบายกับความอึดอัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสลับกันได้ และกลับไปกลับมาได้ที่ได้เข้าไปรู้อาการไม่เที่ยงของความสบายและความอึดอัดตามจริงได้นั้นนับว่าคุณรู้สึกถึงสิ่งที่ละเอียดกว่าลมหายใจแล้วกับทั้งพร้อมที่จะดูต่อไปถึงสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นเช่นความไม่เที่ยงของสภาพจิตความไม่เที่ยงของสภาพความนึกคิดสิ่งสำคัญที่ควรย้าความเข้าใจ คือลมหายใจเป็นศูนย์กลางการรับรู้ที่ดีคุณสามารถเห็นกายใจทั้งหมดได้จากศูนย์กลางการรับรู้นี้เอง